สัรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจคุ้งค้านไปทางอื่นผู้ที่จะมีศรัทธามั่นใจในข้อวัตปฏิบัติคือการนั่งสมาธิภาวนาเนี่ย หายากเหลือเกินส่วนมากคอมักจะเป็นผู้ท้อถอยที่แรกคอมักคอมเมนดีอันทำไปทำไปสู้อำนาจแห่งมานคือกิเลสไม่ไว้ก็ท้อถอยไป จิตใจเช่นนี้มันไม่ใช่ใจของนักปราชญ์ใจของนักปราชญ์นี่มันต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆอดกลั้น ต, ต, ต่ออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและทาง จ, จิตใจ ผู้ใดอดทนต่ออุปสรรคของร่างกายและจิตใจนี้ไม่ได้ผู้นั้นก็ภาวนาไม่ได้หรืว่าทำใจให้สงบลงไม่ได้ <c oughs> นั้นพอจะได้ประสบอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าเท่านั้นใจก็โ่อ่เข้าไปเลย ไม่มีความอดกั้นทนทานอันนี้มันไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะเป็นนักปราชญ์แล้วก็ให้ขึ้นเอาความอดทนนี่ไปประดับจิตใจของตนไว้ผู้ใดไม่ ขันติธรรมประดับอยู่ในใจผู้นั้นไม่ใช่นักปรัก น, นี่ก็สำคัญเป็นคฤหัสถ์ก็ตามถ้ า, าว่าไม่มีอุบายปัญญาเยบคายสักหน่อยก็จะไม่ สามารถปฏิบัติตามการทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นการฝืนจิตใจมากหรือว่าเป็นการฝืนกระแสของตัณหาตัณหานั่นมันจะจูงใจให้ ประพฤติไปอีกอย่างหนึง่งแต่แล้วธรรมะนั่นเป็นเครื่องสกัดกัน้นกระแสะของตัณหาไม่ให้ไหลไปเหมือนอย่างทำนกสำหรับกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงไปสู่ที่ตำ่ำฉะนั้นแหละดังนั้นผู้ที่ยังชอบกับกิเลสตัณหายอยู่ ก็จึงไม่สามารถจะปฏิบัติตามพระธรรมได้ดังนั้นก็ต้องฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสนับสนุนกำลังศรัทธาให้แก่กล้าขึ้นไปเมื่อได้ฟังตัวอย่างของท่านผู้วิเศษในโลกแล้ว จิตใจของเราก็จะได้เข้มแข็งขึ้นดังในธรรมะกันนี้ก็จะได้แสดงเรื่องพระพุทธคุณบทว่าอนุตตรโปุริสธรรมสาระิทัฏาเทววานุสานัง เลยว่าพระบรมศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอย่างยิ่งไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนเพราะองค์เลยบรรดาสารถีผู้ผึก ช้างม้าวัวควายและสัตวานธอื่นๆในโลกอันนี้นะไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าหรือว่าเสมอเหมือนกับพระพุทธองค์ผู้ฝึกสำหรับพระพุทธองค์นั้นทรงฝึกมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ไม่ต้องลงแท้ไม่ต้องลงค้อนแต่ประการใดแต่ั้งหนก็กสารถีทั้งหลายที่ฝึกช้างกดีฝึกมา ก, กดีฝึ ก, กวัวฝึกควายเหล่านี้เมื่อมันพยศมาก็ต้องลงแท้ต้องตีต้องทรมานมัน แม่มันกินหญ้า ก, กินน้ำถ้า ต, ตัวไหนมันฝึกไม่ได้กิงก็ก้ามันเอาสํแหลเนื้อมันมาบริโภคเสียนี่ชาวโลกเขาฝึกสัตว์ต่างๆนี่เนี่ยด้วยกรรมวิธีอันดุร้ายแต่ส่วนพระรบรมศาสตรดา สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงฝึกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยธรรมานุภาพด้วยอุบายปัญญาพราะองค์ไม่ได้ฝึกแบบคนธรรมดาสามัญทั่วไปเพราะฉะนั้นแหละพระองค์จึงชื่อว่าเป็นยอดแห่งสารสีทั้งหลายในโลก ไม่มีใครที่จะเท่าเทียมถึงไอที่พระ อ, องค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจดังกล่าวมานี่ได้โดยละมุนละม่อมก็เนื่องมาแต่พระ อ, องค์ทรงฝึกพระ อ, องค์นั่นแหละมากรพระ อ, องค์ทรงรู้อุบายฝึกตนของตนมาแล้ว เมื่อได้รู้อุบายฝึกตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยวิธีใดพระองค์ก็นําเอาวิธีนั้นเนี่ยมาฝึกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้พระองค์ฝึกพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้คิดทําลายอะไรพระองค์ไม่ได้ฝึกด้วยความรุนแรงอะไรเป็นได้เพียงว่า เมื่อยังไม่ทันได้พบผลทางตัดสรูสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นพระองค์ก็พยายามอดนอนพ่อนอาหารไปเรื่อยๆไม่ได้หักโหมทีเดียวบางทีว่ามันจะเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมากเกินไปหรืออย่างไรมันถึงไม่ได้สำเร็จ องทรงลำพึงอย่างนี้แล้วก็พยายามพ่อนอาหารลงไปแล้วก็พ่อนทางหลับทางทางนอนลงไปจนถึงกับว่างดฉันอาหารก็ยังไม่ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิานจึงได้ทรงลำพึงขึ้นมาในพระไยว่า ทางไหนหนอเป็นทางจัตตุรุสั ม, มาสมโพธิญาณนี่ต่เราทำความภาคเพียรพยายามมานี่ได้ว่าถึงขีดสุดแล้วไม่มีมนุษย์ใจที่จะทำความเพียรเท่าเทียมกับพระองค์และจะยิ่งกว่าพระองค์ก็ไม่มีเพราะว่าสุดท้ายนี่พระองค์กั้นลมหายใจเข้าออก ไม่มีนักบวดใดในโลกที่จะไปกั้นลมหายใจโดยการบาเพ็ญทางจิตใจอย่างนั้นแต่นี่พระองค์กั้นลมหายใจเมื่อลมหายใจมันออกทางปากทางจมูกนี้ไม่ได้แล้วมันก็ควรปั่นไปมาอยู่ในช่องท้องนั้นในที่สุดมันก็ออกตามขุมขนวะนี่ลมนั้นนะ พระองค์ก็ไม่ได้วายชนไปก็เพราะว่าบุญญาบา ร, รมีที่ได้สั่งสมอบรมมานั่นแหละช่วยรักษาไวา้ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าพวกเทวดาทั้งหลายได้เห็นพระพุทธองค์อดอาหารจนสูบจนผอมกลัวว่าพระชนมชีพของพระองค์จะไม่ยั่งยืนนานในเด พบขนทางศัตรูสัมมาสัมโพธิญาณเทวดาเหล่านั้นจึงได้เอาอาหารอันเป็นทิปนั้นมาแทกเข้าในพระวรากายของพระองค์เพื่อให้พระกายของพระองค์นั้นทรงดำรงอยู่ได้นี่เป็นอันได้วความว่า ธรรมดาว่ามีบุญแค่อย่างเดียวแล้วบุญย่อมตามรักษาอ่ำนวยความสะดวกให้ไปโดยลำดับอย่างนั้นเรียว่าเมื่อผูใ้ใดสั่งสมบุญบุญก็ย่อมตามอ่ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นั้นพูดอย่างง่ายง่ายแม้ว่าผู้นั้นจะไปทุก ตกทุกข์ได้ยากลำบากแห่งหนุนตำบนใดถึงแม้ว่าญาติน้องวงศาจะไม่รู้ข่าวข่า ว, าวไม่ญาติน้องจกไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลได้แต่บุญกุศลที่ผู้นั้นทำก็จะตามอำนวยผลหรือว่าให้อารักขาหรือว่าช่วยขจัดอุปสรรคความขัดข้อง ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นให้ลุล่วงไปได้เหมือนอย่างตอนสุดท้ายที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั่นแหละเมื่อกิเลสมันแสดงบทบาทมารบ ก, กวนพระองค์พระองค์ก็ทรงลำพึงว่าในที่นี้ญาติโกโหติกาอะไรของเราก็ไม่มี พอที่จะมาเป็นสักขีพยานให้ได้ก็มีแตบุญบา ร, รมีที่เราได้สั่งสมอารม์มาแต่อเนกชาติเท่านี้แหละจักมาเป็นสักขีพยานของเราเมื่อทรงลำพึงอย่างนี้แล้วประทรงระลึกถึงพระบา ร, รมีธรรมที่ได้บำเพ็ญมาแต่อเนกชาติ หาก็มีจริงแล้วก็ขอให้แสดงบทบาทออกมาเพื่อขจัดอุปสรรคความขัดข้องต่างๆเหล่านี้ให้รุ่ง่วงไปด้วยดีเมื่อทรงอธิษฐานถึงบุญญาบารมีอย่างนั้นแล้วทันใดนั้นก็อนุภาพแห่งบุญกุศลก็ปรากฏขึ้นต่อหน้า ต่อพระพักของพระองค์ช่วยกำจัดกิเลสทรมานต่างๆเหล่านั้นให้ระงับดับศูนย์ไปพูด ง, ง่าว่ากิเลสอย่างกลางนั่นแหละมันแสดงบทบาทต่างๆนานามาคุกคามพระองค์เพื่อให้จิตใจของพระองค์นั้น พุ่งซ้างเลื่อนลอยไปแม่ได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแต่พระองค์ไม่ทรงทอถอยมีพระไทยมั่นอยู่ในบุญญาบา ร, รมีนี่แหละ <c oughs> ก็องคเจึเจ้าจึง เ, เอาชนะมารทั้งหลายได้แม้ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามเมื่อได้มีจิตตถา อินดีในการฝึกผลอบรมตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับหากว่าเกิดอุปสรรคความขัดข้องอะไรขึ้นมาอันจะเป็นเหตุให้ศรัทธามันเสื่อมไปจิตทำให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอไปอย่างนี้เราก็อธิษฐานถึงบุญบา ร, รมีของตัวเองนั่นแหละที่ตนเองได้กระทำบำเพ็ญมา ไม่ควรที่จะลืมบุญบา ร, รมีเพราะว่าทุกคนน่ะกลัวจะได้มีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้ก็เพราะอาศัยบุญกุศลหนหลังนั่นแหละมาหนุนซองถ้าบุคคลไม่มีบุญกุศลหนหลังที่ได้สั่งสมอลรมมามาเป็นกำลังใจแล้ว ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะมาเอาชนะมารคือกิเลสอย่างว่านี้ได้คนเป็นจำนวนมากเป็นคนอ่อนแอท้อแท้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารคือกิเลสทั้งอย่างยากและอย่างกลางและอย่างละเอียดเพียรดั้นจึงไม่มีความสนใจ ในการทำความเพียรนั่งสมาธิภาวนากำหนดใจละกิเลสที่มันพุ่งขึ้นมาในจิตใจนั้นได้เพราะว่าจิตใจตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตันหามานานไม่ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้มีกำลังแก่กล้าเกิดนั้นถึงสู้มารคือกิเลสไม่ไหว เอาเถิดถ้าว่าผู้ที่ยังสู้อำนาจของมารคือกิเลสอันมันมาควรใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนี้ยังไม่ได้ก็ขอให้กำจัดกิเลสสมานอันยังห ย, ยาบท่าลามกเโรนั้นให้ออกไปจากจิตใจให้ได้ก็นับว่าเป็นบุญโขทีเดียว การที่พระบรมศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่พระองค์จะเอาชนะมารอย่างว่านั้นได้นั่นก็เพราะว่าพระองค์เอาชนะมารคือกิเลสอยา่างหยาบมาแล้วอันนี้ยังเหลือแต่มารคือกิเลสอย่าง ก, กลางเท่านั้นเองเนี่ยในวันที่พระองค์เจ้า จะได้ตัดรูนั่นพอพระ อ, องค์นั่งสมาธิเข้าไปอย่างนี้พอน้อมใจลงสู่ความสงบนี่วรห้าอันเป็นกิเลส ช, ชั้นกลางนี่มันก็แสดงบทบาทมาขัดขวางพระ อ, องค์จะไม่ให้พระทัยของพระ อ, องค์สงบระงับลงไปได้เลยนั่นแหละ อันนี้พระ อ, องค์ก็ไม่ท้อถอยรงระลึกถึงพระบารมีธรรมดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมาเป็นกำลังใจเมื่อพระบารมีธรรมอันนั้นที่พระ อ, องค์ได้สั่งสมอบรมมามน่มันมีจริงนี่นันก็ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระ อ, องค์ทำให้กำลังใจของพระ อ, องค์นั้นเข้มแข็งหนักแน่นเหมือนกับพื้นแผ่นพระสุ ธ, ธา อันหนาไดสองแสนสี่หมื่นยดเนี่ยฉันใดพระไทยของพระ อ, องค์ก็หนักแน่นมั่นคงฉันนั้นไม่ยอมอ่อนข้อให้มานคือกิเลสเหล่านั้นเลยกิเลสเหล่านั้นมันแสดงบทบาทขับไล่ให้พระ อ, องค์ขยับขยายหนีออกจากแท่นบรรลังนั้น พระองค์ก็ไม่ยอมเคลื่อนย้ายเด็ดขาดเลยนี่นะว้าเป็นคุณเป็นพระคุณอันล้ำเลิศเป็นตัวอย่างของพุทธบริษัททั้งหลายที่ควรระลึกไว้เสมอควรเอาอย่างควรน้อมเอาพระคุณเหล่านั้นมาเตือนจิตใจของตัวเองเข้าไป นี่แนะ่ะพระ อ, องค์ฝึกพระ อ, องค์ได้อย่างนี้แล้วพระ อ, องค์จึงรู้วิธีฝึกบุคคลอื่นได้โดยละมุนละม่อมโดยไม่ต้องด่าไม่ต้องว่าคำหยาบโลนต่งตางๆนั้นนะไม่ต้องลงโทษมีจำขังเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีในพุทธศาสนานี้ แล้วพระ อ, องค์ก็สามารถสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไปได้มีเป็นจำนวนมากในครั้งเมื่อพระ อ, องค์ยังทรงพระชนมาชีพอยู่นั้น่ะทั้งนี้ก็เพราะมันประกอบกันนั้นเองแหละถ้าว่ามีแต่พระ อ, องค์สร้างเพราะบารมีฝ่ายเดียวแต่ พุทธบริษัทไม่สร้างหรือว่าสร้างไม่เต็มอย่างนี้พระองค์ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันแหละพระองค์ก็ฝึกคนเหล่านั้นไม่ได้การที่พระองค์จะฝึกคนเหล่านั้นได้ก็เพราะคนเหล่านั้นได้สังสมบุญบารมีตามพระพุทธองค์มาในสงสารตั้งนานแสนนานเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่นานเท่าพระพุทธเจ้าหนุก ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าสำหรับผู้ไม่ได้ปรารถนาเป็นอะไรต่ออะไรปรารถนาพ้นทุกอย่างเดียวนี่สร้างบารมีแสนกับก็เต็มแต่ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแลแสนกับนี่ก็ดีนับ ว, ว่นนานโขทีเดียวอนี่แหละให้เพิ่งพากันคิดดูอิทธิพลของกิเลสตัณหาเนี่ย มันเข้มแข็งขนาดไหนอันมันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่เนะี่ยบุคคลผู้ที่จะขับกิเลสเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้ได้ก็ต้องสร้างบารมีมาในสงสารนี้ตั้งแสนกับนนกลัวจะเต็มบริบูรณ์นะแต่แล้วที่นี้นะ ทุกคนก็รู้ไม่ได้เลยว่าในชาติอดีตล่วงมาแล้วนู่นไม่ทราบว่าเราสร้างบุญบารมีมาได้มากน้อยเพียงเท่าใดแล้วไม่มีใครรู้ได้เลยจะรู้ได้ก็มารู้เอาปัจจุบันนี้แหละเพ่งพิจารณาดูชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็พอที่จะอนุมานได้ อย่างผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมนี้ผู้แสวงหาบุญผู้แสวงหาความสงบโมนีรู้ตั้งแต่เป็นผู้มีบุญวาสสนามบารมีได้สร้างได้สมมาแต่ในอดีตชาติถนหลังนั้นนามากพอสมควรทีเดียวเช่นถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ ก็คงเคยได้รักษาอุโบสถศิลมาเพราะการรักษาโบสถศิล น, นี่มันก็เป็นการประพฤติหอมจันประเภทหนึ่งหรือว่าเป็นการบำเพ็ญในขธรรมบารมีคือบา ร, รมีที่จะกระตุ้นเตือนใจให้เห็นโทษแห่งกามคุณทั้งหลายนั่นแหละถ้าว่าใครไม่ได้รักษาอุโบสถก็ดี หรือว่าไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดีเหล่านี้ได้ชื่อว่าไม่ได้ชื่อว่าบุกค้องเนคข ม, มะบรมีไม่ได้บำเพ็ญเนคข ม, มะบรมีเมื่อบรมีข้อนี้ไม่สมดุลกันไปกับบรมีอื่นๆผู้นั้นก็จะสําเร็จไม่ได้เลยเจะละอาชวกิเลส ให้หมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจไม่ได้เลยแม้แต่จะเบื่อน่ายต่อกิเลสตัณหานี่ก็ไม่เบื่อหนายท่านผู้ที่มีความเบื่อหนายต่อกิเลสตัณหานี่ก็ก็อานิสง์แห่งการรักษาอโวสตร์สินหรืออานิสง์แห่งการบรรพชาปุถุมบทนี้เองเนะมาลนจิตตนใจให้เห็นโทษแห่ง กิเลสกรรมวัตถุ ก, กรรมได้สมทบกับบารมีอื่นๆมีฐานะบารมีเป็นต้นเข้าไปนะ่ะนั่นแหละมันถึงมีกำลังเข้มแข็งสามารถขับไร่มารคือนิวรณ์ทั้งห้าออกไปจากดวงกิจได้ เมื่อพระองค์เจ้าได้ตัดสรุปโดยอุบายวิธีอย่างไรก็รองค์ก็นํามาแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทด้วยอุบายวิธีอย่างนั้นก็ให้พึ่งลําพึงถึงแนวทางที่พระศาสดาทรงสั่งสอนพุทธบริษัทมาเป็นอารมณ์แล้วเราก็จะได้ทราบซึ่งในใจว่าพระศาสดานี้พระองค์ทรงพระเมตตาการุณา ต่สัตว์โลกเหลือล้น้นประมาณเหลือที่จะหาอะไรมาเปรียบเทียบได้เพราะว่าถ้าว่าพระ อ, องค์ไม่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระกรุณาอย่างว่านี่นะ่ะเมื่อพระ อ, องค์เจ้าตัดสรูแล้วนะพระ อ, องค์ก็เสเวยวิมุติสุขอยู่อย่างนั้นโดยลาําพังใครก็จะไปว่าอะไรพระ อ, องค์ก็ไม่ได้ อันนี้แหละแนววรรดามนุษย์เทวดาทั้งหลายก็จะเป็นผู้หนานแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาอยู่นั่นแหละไม่มีอุบายปัญญาที่จะละกิเลสตัณหาได้ทางนี้ก็เพราะว่ามันขาดผู้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้นอกจากพระพุทธ เ, เจ้าแล้วไม่มีใครที่จะมาชีห้หนทางออกจากทุกโดยถูกต้องให้ได้ โดยมากก็มีแต่มีแต่ความเห็นผิดไปหรือมิฉะนั้นก็เรียกว่าความคิดความเห็นยังยังไม่ถึงยังไม่เข้าขั้นถึงแม่จะมีความเห็นถูกว่าทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําดีขั้นสูงขึ้นไปถึงโลกุตรธรรมได้เลย ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าแนะนํสาสั่งสอนที่ผลทางให้นู่นแหละจึงได้ ด, ดําเนินเดินตามที่ทางที่พระองค์เจ้าชี้แจงแนะนํสาสั่งสอนนั้นจึงสามารถบรรลุถึงความพ้นทุกข์พ้นกิเลสตันหาสต่างๆได้ดังนั้นแหละพุทธบริษัทผู้ มีความเชื่อความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าเมื่อมาพิจารณาถึงพระคุณน า, นามบทนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งเรียกว่าความเคารพนับถือนั้นนับวันแต่เข้มแข็งขึนข้นไปเรื่อยๆก็ามาหวนระลึกถึงพระเมตตาพระกรุณา ของพระองค์นั้นนับว่าใหญ่ยิ่งเอาเหลือเกินพระองค์ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณสิ้นอาสวะกิีเดชแล้วพระองค์ก็ยังไม่เสวยวิมุตติสุขอยู่โดยลำพังยังเสด็จไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่พาพระสาวกไป พักอยู่ตามปากเขาลำนาภไพเป็นการฝึกพระภิกษุสองสามเมนรไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นการฝึกครวะญาติโยมผู้ครองเรือนที่มีศรัทธาเข้าไปเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาอัน <c oughs> นั่นแหละไปในตัวเลยเรียกว่าได้ไประโยชน์ทั้งสองอย่าง คือประโยชน์แกคารวาดผู้ครองเรือนก็ได้ประโยชน์ในการฝึกผลทระวิสุทธามะเนนผู้ตามเสด็จได้เช่นเดียวกัน่เพราะฉะนั้นแหละท่านที่เป็นพิกษุทธามะเนนก็ดีเป็นทายกทายิกาก็ดีเมื่อมารำพึงถึงพระคุณ บทนี้เป็นอารมณ์บ่อยๆแล้วก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้ประกอบความภาคเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยด้วยความไม่ประมาทด้วยมามองเห็นว่าพระศ า, าสดาของเราผู้ประเสริฐในโลกนั้นพระองค์ยอมสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อ พาให้ผู้อื่นได้ประสบความสุขความเจริญเพราะองค์ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเน็ตเหนื่อยของพระองค์เลยอันนี้แหละควรพากันหมั่นระลึกนึกคิดให้ดีโดยเฉพาะอุบายที่พระองค์เจ้าฝึกปือพุทธบริษัททั้งหลายนั้นถ้าหาว่าแสดง ถึงหลักแล้วก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี้เองแหละนี่ข้อปฏิบัติสามประการนี้นับว่าเป็นกรร ม, มวิธีที่ดีที่สุดไม่มีข้อปฏิบัติใดที่จะยิ่งไปกวนนี้เลยอันมักมีองค์แปดนั่นก็สงเคราะเข้าในศีลสมาธิปัญญานี้เองเช่นอย่างว่า ทรงสอนให้ประกอบการงานที่ปราศจากโพเดวันนี้ก็ทรงสั่งสอนให้ฝึกพูดจาปลาัยให้มันถูกระเบียบให้มันสำเร็จเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วก็ทรงสอนให้เว้นจากการพูดในเรื่องที่ไม่เป็นสาระแกนสารเช่นพูดเท็จพูดซอเสีย ให้ผู้อื่นแตกรล้วาสามัคคีกันพูดคำหยาบโรนต่างๆและพูดเพ้อเจ้อเล็วไหลไม่มีประโยชน์อันใดมูนี่ทรงสอนให้ละให้ละเวน้น <c oughs> แล้วก็ทรงสอนให้ทำมาหาเรื่องที่โดยทางสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการอาชีพนั้นมักสามองค์นี้ก็ไปรวมเข้าในสีรสิกขานั่นเองไม่ใช่อื่นใลอะไรเดี๋ยววันนี้ก็ต้องสั่งสอนให้เจริญสมาธิต่อ คุณธรรมที่สนับสนุนให้ จ, ใจิตใจสงบระงับลงเป็นสัมมาสมาธิได้นั้นก็ได้แก่สัมมาวายาโมเพียรชอบคือเพียรอยู่ในที่สี่สถานในที่สี่สถานนั้นคือเพียรระมัดระวัง ไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเถ้าว่าพังเผอว่าได้สร้างบาปให้เกิดขึ้นในสันดานแล้วอย่างนี้ก็เพียนพยายามละบาปนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจเมื่อละบาปไปหมดแล้วอย่างนี้ก็เพียนพยายามสั่งสมบุญกุศลความดีเข้าใส่ไว้ เมื่อสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในใจแล้ว <c oughs> ก็พยายามรักษาบุญกุศลนั้นไว้อย่าให้เสื่อมนี่หมายความว่าเมื่อเราทำใจสงบลงไปได้แล้วก็พยายามรักษาใจที่สงบอยู่นั้นอะ่ะ <c oughs> ให้มันตั้งสงบเป็นปกติไปเรื่อยๆนี่แหละ การที่บุคคลจะทำความเพียรไปได้สะดวกคล่องแคล่วไม่เฉออกนอกทางก็เพราะมาบำเพ็ญสำมาสติคือระลึกชอบระลึกอยู่ในสติปัฏฐานทั้งตีอย่างนี้แหละบุคคลที่มาตั้งสติระลึกเพ่งพิจรารณาดูอัสภาพร่างกายอันนี้เนี่ย ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็ระลึกถึงเวทนาที่เกิดขึ้นจากทางกายและทางใจนี่ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงก็ดีมาระลึกมาเพ่งดูดวงจิตอันเนี้ยให้เห็นตามสภาพความจริงเงนินเดิแล้วก็เพ่งดูธรรมารมที่เกิดขึ้นกับจิตนี้ หมายถึงจิตคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างเหล่านี้ท่านรวมเรียกว่าธํามารมนี่แหละทั้งหมดนี้ทงสอนให้พิจารณาเห็นว่าสัตว์ตว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลย เช่นร่างกายนี่ก็ประกอบไปด้วยเพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นแหละส่วนเวทนาก็ดีส่วนจิตก็ดีส่วนธรรมารมณ์ก็ดีก็สรุปลงในนามธรรมานั่นเองแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรแปลว่าธรรมที่ไม่มีรูปร่างเช่นอย่างทุกเวทนาสุขเวท น, นาอย่างนี้นะมีรูปร่างอยู่ที่ไหนลนะ่ะให้หาได้ ให้เห็นไม่มีจิตก็เหมือนกันเนี่ยไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองเราจะไปหารูปร่างสีสันวันนะของดวงจิตนี่ไม่พบแล้วแม้ความคิดก็เหมือนกันมันก็เป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นแหละไม่มีรูปร่างอะไรเลยความคิด ต่างๆนันคิดดีก็ดีคิดชั่วก็ดีคิดไม่ดีไม่ชั่วก็ดีมันก็ถือว่านะเพ่งดูจริงๆแล้วไม่มีรูปร่างสีสันวันนะอะไรเลยนี่แหละพระศาสดาทรงมุ่งหวังให้ผู้ความเพลินเพียนทางจิตใจนี้ให้เพ่งดูธรรมชาติทั้งสี่ประการนี้นะให้เห็นเป็นของว่างกล่าวโดยสรุปแล้วนะ เป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมประชุมกันอยู่เท่านั้นแหละเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายไปนี่ถ้าว่าผู้ใดมาเพ่งดูสภาวะทั้งสี่ประการดังกล่าวมานี่ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงลงไปแล้วจิตมันก็จะรวมลงได้เลย มันจะไม่สงสัยลังเลอะไรทั้งหมดมันจะไม่เกาะไม่คล้องอยู่กับสิ่งใดที่เป็นอดีตอนาคตเพราะว่าสิ่งใดๆดที่ล่วงมาแล้วก็ดีที่ยังไม่ถึงก็ดีมันก็ไม่นอกเหนือไปจากนามจากรูปอันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แหละมีสภาวะเหมือนกันกับนามรูปที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่แตกต่างอะไรกันเลยนี่ เนั้นมันถึงไม่ตรงใจไปแล้ววะนี่มันมันสิ้นขงงใยลงแล้วเหตุนั้นมันจึงรวมลงเป็นหนึ่งลงไปได้นี่แหละมักทั้งสี่องนี้นะมันก็มารวมลงไอ้สัมมาส ม, มาธินี่แหละเลยวะนี่นะต่างก็เป็นกําลังสนับสนุนจิตนี่ให จะสงบเป็นหนึ่งลงไปไดนะ้ก็เรียกว่าจิตติขาเรีปกว่าควรศึกษาให้รู้เรื่องราวของจิตนี้คำว่าจิตติขานั่นะนะหมายความอย่างนี้นั่นแหละวันนี้มักอีกสององคนั่นะนะ่ะ ได้แก่สัมมาสิสติสัมมาสังกัปปะนั่นแะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วอย่างนี้ก็มาดำหลีดในใจนะ่ะทำไอย่างไรหนอเราถึงจะพ้นจากกิเลสกรรมวัตถุกรรมนี้อย่างนี้นะเพราะว่ากิเลสกามได้แก่กิเลสอันให้ใคร้หมายความว่าให้เกิดความกำหนัดยินดี ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่นี้ล้วนแต่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจทำใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งนั้นเลยทำอย่างไรหนอเราถึงจะละวัตถุการมคือวัตถุที่น่าใคร่ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครยินดีต่างๆหมูนี้นะ มันก็ร่วนแต่เป็นเหยื่อร่อให้ติดอยู่ในทุกข์ทั้งนั้นเลยทำอย่างไรหนอเราถึงจะละกิเลสสองประเภทนี่ได้มาดำริในใจอย่างนี้มันก็เห็นช่องทางแหละที่นี่เพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็ยมปัญญาก็เกิดขึ้นก็สอนจิตใจให้ละขันธ์ทั้งห้านี้เองเนี ไม่ถือมันในขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วกิเลสสองประเภทนี้มันก็ระนับดับไปโดยลาดับเท่านั้นเองไม่มีอะไรอะ่ะเมื่อกิเลสสองประเภทนี้ดับลงไปแล้วไอ้พยาบาทวิตกอันนั้นคือความโกรธความผูกโกรธไว้ในใจความพยาบาทอาคตาจงเวนบุคลอื่นและสัตว์อื่นมัน มันก็ดับไปตามกันเพราะว่ามันเห็นแจ้งในใจแล้วนี่ว่านามรูปหรือว่าขันธ์อ่างนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลเนี่ยเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันจะไปโกรธใครแบบนี้นะมันจะไปผูกพยาบาทกับใครนั่นแหละมันก็ละงับไปเองเลยทีนี้ มนเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ดังนั้นแหละผู้บำเพ็ญทางจิตใจทำใจสงบลงไปแล้วก็ให้พากันตั้งสติระลึกกําหนดพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสต่างๆดังกล่าวมานี้ นั่นแหละท่านจึงเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความคิดที่ถูกทางเรียกว่าถูกต้องความคิดที่จะออกจากกามจะถอนตนออกจากกามนี่แหละถ้าหากว่าเป็นคารอดกองเรือนนะคิดอย่างนี้ได้แล้วอย่างนี้ก็ รักษาอุโบสถสิวันแปดค่ำวันสิบ้าค่ำมันก็เป็นอุบายถอนตนออกจากกิเลสกรรมวัตถุกรรมให้เบาบางไปเรื่อยๆแหละอุโบสถนีเดือนหนึ่งก็มีสี่หน4สี่ครั้งอย่างนี้นะแม่ไม่ได้ไปรักษาอยู่ในวัดก็รักษาอยู่ในบ้านก็ได้ก็เมื่อตนอธิษฐานสมมชานเอา องอุโบสถอันประกอบไปด้วยแปดประการนั่นแล้วแล้วก็ทำรวมระวังกายว่ า, าใจหรือตาหูจมูกกล้นกายใจไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายไปในอารมณ์ต่างๆแล้วอย่างนี้ก็ก็ได้ชื่อว่ารักษาอุโบสถแหละรักษาสิขาบทแปดประการนั่นได้ทีเดียว ถ้าหากว่าปล่อยจิตให้คิดยินดีไปยินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาอย่างนั้นเนี่ยแมื่อจะมารักษาอยู่ในวัดก็เศ้าหมองไออุโบสถนั้นนะถ้าหากว่ารักษาอยู่ในบ้านหาสํารวมกายวาจาใจได้ดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็เป็นอุโบสถได้เป็นอย่างนั้น ก็ควรที่จะรู้จักความหมายของการรักษาบโบสถดหนุนเป็นการบำเพ็ญเนกข ม, มักบารมีเป็นการพยายามถอนตนออกจากกามไปเรื่อยๆออกจากกิเลสตัณหานี่เองแหละเมื่อหากว่าดำริอย่างนี้แล้วจิตใจนี่มันสงบจากการ ม, มวิตกพยาบาทวิตกโดยประการทั่งปวงแล้ว ปัญญามันก็เกิดขึ้นอย่างว่านันแหละมันก็เจ็นใสขึ้นกว่าเดิมแล้วปัญญาก็ดีมันก็จะมองเห็นอริยสัจจะทำทั้งสี่ไปแล้วทีนี้นะที่เรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐินีน่มีปัญญาเห็นชอบนะคือเห็นอริยรสัจสีนั่นเองเนะี่ยไม่ใช่เห็นอย่างอื่นคาว่าเห็นถูกเห็นชอบนะั่นนะ เห็นอย่างว่าเห็นว่าการเกิดมาในโลกนี้มีลูกมีนามอันนี้มานี่มันเป็นทุกข์นี่นะเห็นอย่างนี้ท่านว่าเห็นชอบหรือว่าความแก่ความเจ็บความตายของอุจอารภาพร่างกายวมนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยวันนี้เมื่อปัญญาณมันเกิดก้นแล้ว มันเห็นอย่างนี้จริงๆไงนั่นแห ะ, ะมันเห็นจริงๆ่งถ้าเห็นทุกข์ได้จริงๆอย่างว่านี่ก็ชื่อว่าเห็นชอบเห็นถูกทางแล้วก่อนที่มันจะพ้นทุกข์ได้มันก็ต้องเห็นทุกข์ก่อนนี่เหมือนอย่างงูอย่างนี้การที่งูจะมันจะไม่กัดเราได้ก็เพราะเราเห็นมันก่อน นี่เมื่อเราเห็นมันแล้วเราก็เว้นมันเนี่ยเราก็ไม่ไปเหยียบมันมันก็ไม่กัดอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเนี่ยเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วอ้าวก็ไม่ไปยึดเอาทุกข์ที่แบบ น, นี้นะเห็นอะไรเห็นทุกเห็นขันห้านี่แหละเป็นก้อนทุกข์ทั้งก้อนเลยแบบนี้เมื่อเห็นขันห่านี่ว่าเป็นก้อนทุกข์แล้วปัญญาสอนจิตนี่ไม่ให้ยึดถือขันห่านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วอยนี่ ก็เชื่อว่าไม่ยึดถือเอาทุกขมาเป็นของตนก็้นทุกขได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ่ะแล้วก็มองเห็นว่าตัญหาความทะเยอทะยานอยากให้ขันห้าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้นน อ, นอันนี้แหละมันก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดนี่ ตอนนี้เมื่อมารู้แจ้งในขันห้าว่ามันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดบังคับไว่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอะไรอย่างนี้ความอยากให้ขันห้าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นี่มันก็ระงับลงไปหละเว่าอยากไปได้มันก็ไม่สมหวังนี่เป็นทุกข์เปล่ามันเห็นแจ้งเนี่ยมันก็ยุดติลงอ่ะไม่อยากไม่อยากให้ขันห้าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของมัน เมื่อมันจะเป็นซะอย่างเดียวแล้วใครจะห้ามไม่ได้เลยขันห้านีนะ่มันจะวิบัติมันจะแปลโพนไปแล้วไม่ฟนะังแม้จะมีหมอวิเศษยังไงมารักษาพยาบาลมันก็ต้องวิบัติไปซะก่อนแหละถ้าหากว่าเหตุปัจจัยของชีวิตนี้ยังไม่หมดสิน้นอ่ะมันก็ยาที่หมอ ให้นั่นเข้าไปนะเมื่อก็สามารถระงับโรคภัยไข้เจ็บนั่นไปได้มันอร่างกายนี้ก็เป็นปกติคืนไปพักนึงท่านไปไปแล้วเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยที่จะอุปธรรมบำรุงขันหานี่ให้ยั่งยืนอยู่ไปได้แล้วใครจะเยียารักษายอย่างไงยังไงก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เลยนี่แหละมันก็ต้องแตกดับทําลายไปตามการเวลาของมันนะ่ะ อันปัญญามันมาเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็จึงหายยากนั่นแหละหายยากให้ขันห้าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เมื่อปล่อยวางลงไปได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ละเหตุแห่งทุกข์ได้พะเมื่อปล่อยวางเสร็จแล้วมันก็ไม่เกิดอีกเมื่อมันไม่เกิดเป็นขันห้านี้มาอีกมันก็ไม่มีทุกข์เมื่อมันเกิดมีขันห้านี้มาเมื่อใดมันทุกข์มันก็มีมาเมื่อนั้น นี่ก็ต้องเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้หละก็จึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักที่ดับทุกข์อ่าดับทุกข์นั้นดับตรงไห น, นดับที่ใจนี่เองปัญญาสอนใจไให้ยึดมั่นถือมั่นในขันท่าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วจิตก็รวมลงอ่ะเมื่อจิตรวมลงสงบอยู่ด้วยญาณอันวิเศษเหล่านั้นนะทุกข์ทั้งหลายมันก็ดับไปหมด มนเป็นอย่างนั้นการที่เราเพียรพยายามบำเพ็ญสินธมาสติปัญญาบให้บริบูรณ์ขึ้นในจิตใจได้นี่ดังกล่าวมาแล้วโดยลำดับนั่นนะอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามทางที่ถูกต้องเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงอนี่นี่แหละเรียกว่ารู้อริยสัจสี่ก็รู้อย่างนี้เองนี่ รู้ว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตนี้ได้แล้วมันก็ศีล ส, สมาธิปัญญานี่มันก็ ก, กาจัดกิเลสทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ดับไปจา ก, กจิตใจนี้เมื่อกิเลสเหล่านี้ดับไปแล้วก็ชื่อว่าเหตุแห่งทุกข์มันก็ดับไปเมื่อนั้นทุกทางใจก็ดับไป ไม่มีเหลือพอเมื่อกี้เลยเหล่านี้ดับไปแล้วนี่ไม่มีอะไรที่จะมาควรใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยไม่มีตัณหาประเภทใดที่จะมาควรใจให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยเมื่อความอยากเหล่านี้มันดับลงแล้วจิตใจมันก็ไม่มีทุกข์แล้ววนัน ข้อนี้จะต้องรู้ด้วยตนเองน่ยบัด น, นีนะ้ใครละตัณหาได้เท่าไรผู้นั้นก็รู้ว่าจิตตนนั้นทุกนั้นดับไปจากจิตของตนได้เท่านั้นเนี่ยรู้ได้ด้วยตนเองเลยบัด น, นี้เป็นอย่างนั้นผู้ใดไม่เพียรละความอยากคือตัณหานี่ผู้นั้นก็รู้ไม่ได้เลยว่าทุกมันดับไปจากจิตใจของตนได้เท่าไหรรู้ไม่ได้ผู้นั้นก็แบกเอาทุกไป เรื่อยไปเท่านั้นเองมันเปน็นยังไงเพราะฉะนั้นเหละก็ให้ขึ่งพากันเข้าใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์อย่างชั้นยอดทีเดียวไม่มีใครที่จะเป็นนักปราชญ์ยิ่งกว่าพระองค์เลยพระองค์มีปัญญาฉเฉลียวฉลาด สามารถฝึกเปือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ได้บรรลุมรคนธรรมวิเศษลักพิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศบ้างโดยชิ้นเชิงบ้างเป็นจำนวนล้านล้านโกรโก ร, โรขึ้นไปนุ่นเนี่ยในช่วงพระชนมชีพของพระ อ, องค์นั้นไอ้ผู้ที่ พระองค์ไม่สามารถที่จะฝึกเปลือให้บรรลุมรรคธรรมวิเศษได้ก็ได้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัสนาไกลว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงๆไม่สงสัยลังเลเลยแต่ว่าตนนะยังมีวาสนาบา ร, รมีน้อยอยูอ่จึงไม่สามารถที่จะฝึกตนของตนให้ หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาโดยเดย็ดขาดได้เมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆพยายามประพืชสุจริตด้วยกายวาจาใจไปสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราก็เว้นไม่ทำมันแม้ว่าเมื่อได้เว้นจากบาปนั้นแล้วมันจะบกพ่องทงอางปัจจัยที จะไม่สมบูรณ์พ้นถูกเหมือนอย่างบุคคลผู้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วได้ทรัพสมบัติมามากมายอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจสําหรับผู้มีปัญญานะ่ะเมื่อหากว่าทรัพสมบัติภายนอกนี่มันน้อยไปแต่เราเพิ่มทรัพย์ภายใ น, ใน คือบุญกุศลให้มากไว้ในจิตใจของตนเองเมื่อวอมีบุญกุศลเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ในใจมากแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไระถึงแม้จะจนทรัพย์ไพโนเงินทองเข้าของจักไม่สมบูรณ์ก็ไม่เดือดร้อนขอให้ใจอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณถ้าอย่างเดียวแล้วพอ ไม่เดือดร้อนรอกการเป็นอยู่ในโลกอันนี้น่ะอันบุคคลที่เป็นทุกข์เดือดร้อนกวนกวยอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลบา ร, รมีทําให้มากขึ้นในจิตใจของตนนั้นเองเลยสั่งสมแต่ตัณหาความอยากให้มากขึ้นวันนี้ตัณหามันก็ปั่นจิตให้ทะเยอทยานลิ่นลน้น อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสินสุดทีนี้น ะ, ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงแนะ น, นำคำสอนให้พุทธบริษัทนั้นมีความภาคเพียรพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยในเมื่อเราเห็นทางพ้นจากคุกได้ดีแล้วนะก็พยายามเดินตามทาง น, นั้น โดยไม่ยอมถอยหลังถ้าว่าพูดอย่างสำหรับขลังหัดผู้คลองเรือนแล้วทางดำเนินออกจากทุกข์ของขลังหัดผู้คลองเรือนแล้วก็ได้แก่การให้การบริจาคทานนั่นก็เป็นทางสายหนึ่งสายที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้พ้นจากความห่วงความหวงความ อะไรความติดใจอยู่ในโลกอันนี้นะนั่นเนี่ยเดี๋ยวการรักษาศีลห้าหรือศีลอุโบสถใช่บริสุทธิ์ด้วยดีอันนี้ก็เป็นทางที่สองพ้นจากบาปจากกรรมจากเวรต่างๆไปได้ก็เพราะมั่นในศีล น, นี้เองผู้ใดไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีล น, นี่ผู้นั้นไม่พ้นจากเวร เมื่อไม่ตั้งมั่นอยู่ในศินก็หมายความว่ามันก็ไปทําบาปนั่นเองนะมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนะก็ไม่พ้นจากกรรมจากเวรเมื่อยังมีก ร, รมมีเวรอยู่มันก็มีทุกข์อยู่อย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นต่อจากนั้นผู้ใดเบื่อทุกข์แล้วให้พึ่งมั่นในศินเลยตายเป็นตายอืาสละชีวิตบูชาศินเข้าไปเลยทีเดียวอย่างนี้เลย จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตนเป็นโสวจัตตาบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ทำให้ครับบรมศาสตาลำบากลำบนเมื่อพระองค์เจ้าทรงสอนว่าสิ่งนี้ควรละเราก็ตั้งใจละตามจริงๆเมื่อทรงสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรกระทำบําเพ็ญ ให้เกิดไทมีขึ้นในตนเราก็ตั้งใจบำเพ็ญให้เกิดไทมีขึ้นจริงๆโดยความไม่ประมาทอย่างนี้แหละนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นโภชจตสตาบุคคลแปล ว, ว่าบุคคลผู้ทำตนเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายแก็เมื่อพระาศาสดาสเสด็จ ด, ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้ว ก็มีพระสาวกของพระองค์เนยเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้แนะนําสั่งสอนพุทธริษัทนทั้งหลายแทนพระพุทธองค์ดังนั้นการที่เราเคารพต่อพระสงฆ์ผู้นำเอาพระธรรมคาสอนของพระติจ้ามาแนะนําสั่งสอนยินดีประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั้น ก็เท่า ก, กันกับว่าเราทำตนเป็นผู้ให้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนง่ายเรียกว่าทำตนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายได้จริงๆรอันนี้เลยควรพากันใส่ใจไว้เพราะว่าในพุทธศาสนานี้ไม่มีข้อกฎบังคับให้บุคคลเรา ให้ทานอย่างนี้เท่านั้นเท่านี้ไม่มีไม่มีใครมาตั้งกฎบังคับเลยไม่มีใครมาตั้งกฎบังคับให้รักษาศีลให้ได้ใครไม่รักษาศีลจะต้องถูกลงโทษอย่างนี้ไม่มีเลยเราไม่มีข้อกฎเลยบังคับให้นั่งสมาธิภาวนาใครไม่นั่งมีโทษอย่างนี้ไม่มี เพราะไม่มีกฎบังคับอย่างนี้แหละพระศ า, าสดาจริงได้ทรงสแสดงอุบายต่างๆชักชวนเป็นการชักชวนคลาา้ายๆกับว็นการชักชวนนั่นแหละชักชวนให้มีแก่ใจในอันที่จะปฏิบัติตามพุทธโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงประทานมานั้นเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์จากไยในวัฏสงสาร